ก็นั่งปฏิบัติธรรมกันจา น, นี้ก็ผ่านเทศกาลปีใหม่ผ่านมาได้สามสี่วันแล้ว มีความแก่ความแก่เพิ่มขึ้นแก่ความรู้ใจว่าอยู่นานตลอดวันตลอดวันเราก็มีความรูนะ้เกิดขึ้นมากมายถ้าแก่ โดยอายุขมันทำลายความงามผมก็ขาวหน้าตาก็เหี่ยวดูแล้วไม่มีความงดงามไม่เจริญหูไม่เจริญตามันทำลายกำลัง อ่อนละเหนื่อยเพลียาหายใจก็เหนื่อยทานข้าอิ่มใหม่ๆก็หนื่อยพวดมากๆก็หนื่อยมันทำลายกำลังแต่ว่ากำลังใจมันไม่ตดถอย ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านประสบการณ์ผ่านทุกข์มันยังมีกำลังใจแรงกระเก่าันเวลาผ่านไปผ่านไปสภาวะของธรรมชาติภายในใเจริญงอกงามมันไม่ได้ใช้กาลังคือรูปกำลังคือรูป กำลังคือทรัพย์กำลังคือญาติมันใช้กำลังคือศีลคือความเป็นปกติที่เกิดมาจากการรู้เนื้อรู้ตัวสร้างสตินะเกิดสมาธิปัญญานะใช้เป็นกำลังเป็นญาณเป็นฌาน มีทีพักของจิตของใจมีความสุขแต่เป็นสุขที่เกิดจากการสันโดษจากการอยู่กับตัวเองเย็นๆหนึ่งๆเพราะว่ามันก็ ผ่านประสบการณ์ทางตาทางหูหาดูหาฟังเคยดีสีตีเป่าที่ไหนไปที่นั่นเคยมีหนังมีขคละครที่ไหนไปที่นั่นเคยมีหลายๆอย่างสถานที่แปลกใหม่เราก็อยาก เห็นออกไปภายนอกมันก็ผ่านมาจนถึงขั้นเรากลับมาดูภายในของเราเพราะหวังว่าหวังว่าคำสอนของาศาสนาคมชี้นำของาศาสนาการได้ยินได้ฟังในประสบพบเห็น ผู้ที่มีศีลมีธรรมมีความสงบกายสงบใจแมะน้อมกับมาใส่ตนมีศรัทธามีปัญญา ม, มีความเชื่อถึงเรื่องมรรคผลนิพพานมีความขยันมีความตั้งใจใส่ใจ มีสติมีคุณธรรมหลายๆอย่างมีฉันทะมีความพอใจที่จะทำมีบริยะมีความขยันที่จะทำมีจิตตะมีการใส่ใจที่จะทำมีการไข้ควรตดลองพิสูจน์วิมังษา วันเวลาผ่านไปมันก็รู้ยิ่งยิ่งขึ้นไปจากการที่เรารู้เนะืรู้ตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวมันก็รู้สิ่งที่รอบรอบมากมายรู้รอบการปรุงการแต่งสังขารต่างๆโดยเหตุโดยปัจจัยโดยธรรมชาติโดยการสืบเนื่อง โดยการที่มันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นคำตอบมันก็เป็นการสร้างสรรคนะ์การให้ชีวิตนะมันได้ท่องโรครู้โรค<ม>ทั้งโรคทั้งโรค ก, นะ<ม>กายเป็นโรคใจเป็นโรค มันไม่ใช่แก่เพราะว่าแก่เฉยๆมันเป็นโรคชะลามันเป็นโรคที่ธรรมชาติกําหนดไม่มีใครไม่แก่เหมือนถูกบังคับไม่มีใครไม่เจ็บเหมือนถูกบังคับที่บังคันไม่มีใครไม่ตายทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่อยากตาย แมจุลัดไม่ติดสินบนใครไม่อยากตายก็ต้องตายแต่ได้ยินได้ฟังหลายคนก็ยิ้มได้เมื่อมรณนับไัยมาถึงยิ้มได้อย่างเช่นทางมหายานประเทศจีนเห็นหลายคน นั่งสมาธิตายก็พร้อมในเมืองไทยก็มีนั่งสมาธิตายทาไมกล้าหาญขนาดนั้นในขณะที่หลายคนเท้พุทมาเตือนก็ไม่ฟังประมาทอยู่พอถึงเวลาตายภูมิไฟ ทุรนทุลาลเราเห็นดังนั้นแล้วก็ไม่งามถ่าถึงวันนั้นเป็นเราความสงบนิ่งยอมรับสภาพมันก็น่าจะเกิดขึ้นจึงมีการฝึกการหัดเห็นความแก่เห็นความเจ็บเห็นมัจจุราช มกคาชสมเด็จจำมาสงเจ้าได้มีวาทะมกราช <S S S 1> ผู้มีสติมจุราจะตามไม่ทันเราก็สนใจ อ, อ๋อเครื่องมือก็คือสติเี่อนเป็นตาใน เาจะเห็นแบบทะลุทะลวงความตายที่แท้จริงมันคืออะไรที่เรียกว่าดินสู่ดินน้ำสู่น้ำลมสู่ลมไฟสู่ไฟมันเกิดได้ยังไงขณะปฏิบัติเนี่ยเราจะได้เห็นได้เห็นร่างกายของเราเป็นอสุภะใจเป็นอสุภะมันเป็นยังไงขณะที่รู้สึกตัวรู้สึกตัว เห็นความไม่งามเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่จีลังยั่งยืนเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนเป็นดุน้นเป็นก้อนมันเป็นธาตุสี่ดินสู่ดินน้ำสู่น้ ำ, นำลมสู่ลมไฟสู่ไฟมันก็สอนเรามันบอกติดบอกทางเรา กายมไม่ใช่กายที่จะมาเป็นความสุขอย่างเดียวตาดูมีความสุขหูฟังมีความสุขจมูกดมกลิ่นมีความสุขลิ้นลิ้มรสมีความสุขกายสัมผัสมีความสุขมันไม่ใช่อย่างเดียวมันเป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์ จะใช้เป็นเครื่องระลึกเป็นเป้าการเคลื่อนไหวแต่ละขณะแต่ละขณะเป็นความรู้สึกเป็นความเปียกแฉะเป็นการที่ต้องรักษาเป็นความโกปลศบางทีก็เห็นเลยมันก็เป็นเรื่องที่น่าใจเสะเอียน เราบอกว่าร่างกายเราเป็นสุขดูไปดูมามันก็เป็นทุกข์นั่นแหละเสื้อผ้าก็ดีจีวรก็ดีที่นั่งก็ดีแต่พอสัมผัสกับตัวเราเดี๋ยวกลายเป็นของโสโครกก็ได้เห็นอาหารก็ดีพอใส่ปากเคี้ยวเคี้ยวไปก็เป็นของโสโครก ตะเบือนออกมาครายออกมาเราจะกินเข้าไปก็กยักกระแยวงอาหารพอบดย่อยออกมาขากไทยการที่จะหยิบมือไปจับไปสัมผัสหรือแม้แต่ไม่ได้ล้างก้นมันก็รู้สึกความสะอาดมันหายมันไม่ได้มีความหมดจด เรารู้สึกเป็นของส่วนเกินมันก็อสุภาทางนั้นแหละแต่ก็ไม่สำคัญเท่ากับจิตนะอสุภาทางจิตความคิดนี่สกปลกนะคิดกังได้มันเละเอะเทอะยิ่งความคิดที่เราไม่ได้เจตนามันมันแสดงออก เจตนาคิดเจตนานึกเจตนาระลึกมันไม่เคยทำเผลอเมื่อไหร่มันก็คิดขึ้นมาเองตลอดลเวลาการฝึกสติจึงรู้เท่ารู้ทันอสุภะของจิตที่ว่าสกปกสกปกปกคือจิตเราสกปกที่สุดมาจิตเราสสกปกนะมองออกไปตรงไหมันก็ ไม่ดีไม่งามทันที่จะเป็นเช่นนั้นเองก็หาเหตุหาผลเอาถูกเอาผิดพอใจไม่พอใจบวกบวกลบๆ ถ, ถ, ถ้าถ้าจิตระปกติมองไปซื่ อ, อรู้ซื่ อ, อรู้เฉยแต่ ถ, ถ้าเป็นหน้าที่หน้าที่ที่ถูกกำกับ ถูกกำหนดหรือว่าเราเห็นว่าเราทำได้ก็หยิบยื่นมือไปช่วยเหลือโดยจิตใจที่มีความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นหน้าที่อย่างเช่นตอนเช้าวันนี้เรามาทำวัดสวมดมนต์กันนะเป็นกิจวัเป็นหน้าที่ของชุมชนเราก็รู้หน้าที่ ทำวัดตรวมันมินทาบาดฝาลางวัดต่างๆหรือหน้าที่ที่สมมุติกันไว้เป็นพระพระุเทศแจกพระต่างๆก็สมมุติกันแต่บางทีเราอยู่กันแล้วก็เสนอตัวกันเสนอตัวเพราะเห็นว่ามันมีความสมบูรณ์ ก็มีตัวนี้เพิ่มขึ้นมาเพิ่มกันมาเป็นความสมบูรณ์แต่ก็ต้องรับผิดชอบทำให้ชุมจนเป็นการเติมเต็มแต่ก็ต้องรับผิดชอบยอมรับสภาพแล้วแต่มุมมองความคิดของคนก็นั่นหมายถึงว่าเราทำด้วยสติด้วยปัญญาทำแล้วไม่ต้องทุกข์ไม่เสียใจในภายหลัง สติปัญญามันก็จะตอบมันจะบอกเราการเคลื่อนการไหวการแสดงออกแต่ละขันนยะมันก็จะซ่อนด้วยพลังเป็นพลังของความดีความงามเป็นพลังของความจริง เ, เพราะนั้นการใช้กายวาจาใจ ันเป็นความรู้สึกตัวที่สร้างที่จเจริญเจริญสติสติจเจริญมันก็เลยเป็นการใช้ชีวิตจะนั่งจะเดินจะยืนจะนอนจะกินจะขับถ่ายเห็นกายเป็นธรรมชาติเห็นจิตใจเป็นธรรมชาติตัวสติปัญญามันเหนือเหนือธรรมชาติมันเป็นที่สุดของธรรมชาติ มันไม่เย้ธรรมชาติธรรมดาธรรมดาแต่สิ่งที่ถูกรู้ถูกเห็นมันเป็นธรรมดามันเป็นธรรมชาติตัวปัญญามันที่สุดของธรรมชาติมันใช้ระวางวางแล้วว่างมันเป็นพลังจริงจพลังของสติมันก็พิสูจน์ได้กําลังของสมาธิก็พิสูจน์ได้กําลังของปัญญาก็พิสูจน์ได้ ใครควรพิสูจน์แลวเป็นความจริงว่าเป็นสัจจะอย่างเช่นฟังคุณหมอเกรียงศักดิ์คุณแอดเล่าไปเห็นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาไมบอลใช่ไหมไมบอลใช่ไหมก็พิสูจน์เรื่องพลังจิตกัน ที่ฟังท่งานเล่ามีสองคนมาพิสูจน์กันใครมีกำลังจิตมากกว่ากันจะมีลางเพื่อให้ลูกบอลมันวิ่งเคลื่อนตัวจากฝั่งซ้ายไปฝั่งขวามันโต๊ะปิงปองอย่างเงี้ยฝ่ายหนึ่งก็อยู่ฝั่งฝ้าหัวโต๊ะฝั่งขว า, าอีกฝ่ายนึงก็อยู่หัวโต๊ะฝั่งซ้าย เสร็จแล้วก็จะมีข้อมูลรายละเอียดบอกถึงวิธีเล่นก็ให้บุคคลที่ไปนั่งเพื่อที่จะแข่งขันว่าใครจะมีพลังจิตมากกว่ากันก็นั่งแล้วทำจิตให้สงบเป็นสมาธิ mm hmm. เสร็จแล้วใครมีสมาธิมากกว่ากันนลูกบอลก็วิ่งก็ไปชูดประตูเลย จะดูได้ว่าพลังจิตเนี่ยกำลังสมาธินะใครมีมากกราฟมันจะขึ้นมาเลยจากจอมอนิเตอร์ขึ้นถ้าของใครต่ำตกลงมาก็คือจิตสงบบอลมันจะวิ่งจุดที่แล้วคุณหมอเกียงสักกับเด็กคุณหมอเกียงสักก็ ไปฟังเสียงคุณแอดกำลังไทยวิดีโอแล้วก็พากไปด้วยพูดไปด้วยใจไม่เป็นสมาธิปรากฏของเด็กเป็นสมาธิวิ่งจูด๊ดเข้าประตูคุณหมอเลยลูกบอลพอทำใจให้สงบเป็นพุทโธพุทโธพุทโธบริกรรมลูกบอลคุณหมอเลยวิ่งไปบ้าง สูตได้นะยจริงๆแล้วต่อไปคงมีเครื่องวัดอลังห์จริงอลันห์ปลอมคงมีเครื่องวัดจริงๆก็มีแล้วแหละเครื่อง <c oughs> จับโกหกสารพัดเทคโนโลยีอันไม่ยากไม่ต้องกลัว <c oughs> ต่อมาคุณแอดลองไปเล่นมั่งก็เข <c oughs> ้าใจหลักแล้วว่าอ๋อ มันต้องวางก็เลยเอาศีษะแนบมือก้มวางลงไปลุกบอลวิ่งจูดเข้าประตูของอีฝ่ายหนึ่งทันทีองค์การทั้งหลายทั้งปวงที่วิจูจน์เรื่องพลังจิต ก็ได้มีข้อมูลมากมายใช้กำลังจิตกำลังใจงอช้อนซ่อมบ้างทำวัตถุให้เคลื่อนบ้างหรือว่าใช้ในการสั่งหุ่นยนต์ mm hmm. เขาก็ทาได้ทั้งนั้นนะ mm hmm. หรือว่าหมหาวิทยาลัยราชพันนคอน mm hmm. ก็มีวิชาการเรื่องพลังจิตโดยตรง อาศัยพระเพียนเก้าประโยคมหาทั้งหลายทั้งปวงไปเป็นอาจารย์สอนเรามีเครื่องมือวัดต่างๆนานามากมายก็เคยมาที่นี่ด้วย mm hmm. เคยมาก่อนหน้าเนี่ยเวลาจะปฏิบัติธรรมถ่ายสีไว้ก่อนพลังของจิตสีอะไรหลังสีออล่า mm hmm. หลังจากปฏิบัติธรรมเสร็จ ก็ถ่ายครั้งสีอะไรอย่างเงี้ยก็มีการพิสูจน์แล้วก็มีคำโต้แย้งวิสัยของนักคิดตั้งหลายตั้งปวงมันอาจจะเป็นอย่างนั้นมันอาจจะเป็นอย่างนี้มันอาจจะใช่มันอาจจะไม่ใช่ก็วิพากษ์วิจารณ์ไปนั่นคือลักษณะของความคิดเห็น แตวหลายคนมาฝึกสตินะรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวแนวหลวงปู่เตียนที่นี่แหละวัดป่าสุโตนี่แหละทําตามที่หลวงพ่อเขียนท่านชีน้นําภาวะผู้ดูแล้วจะได้เห็นพลังมหาศาลเลยแล้วเป็นพลังที่กลับมาหาตัวเองน เขานินทาเราก็รู้แล้วเขาสรรเสริญเราก็รู้แล้วพลังตัวนี้เมื่อก่อนเขานินท า, าโโแล้วก็โมโหแล้วเขาสรรเสริญแล้วก็ฟูแล้วเพราได้ก็ยิ้มแป้เพราเสียก็เศร้าๆอารายอาวนแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วละเวลามีความรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัว การที่เห็นอะไรล้ำเจริญโลภมันกลายเป็นเรื่องของภาวะที่เห็นแล้วมันเป็นลาบฟังกระจายไห ม, มันไม่ใช่โลภไม่ใช่โลภะมันเป็นลาบอย่างเช่นที่ ว, วัดเราเนี่อดีเหล็กลาบเยอะมากนลํารวยรวยทีเดียวแหละพราบบัวันแรงนีกจีวรโกโก้มีใส่เลย ภาษาวันเจ็ดวันสิห้าวันเดือนเดี๋ยวถอดทิง้งสมัยก่อนไม่มีเมื่อก่อนกี่วันปุปุปะปะาบางทีก็มีเชือ้อราบางทีก็มีกี่ไข่ติดต้องไปซักพอได้ใส่ไปบวดปัจจัยสี่ห yeah. นะ้าหกเจ็ดปดเยอะแยะแต่ว่าได้มาแบบเป็นลาบไ ม, ม, ม, ม, ม, ม, ม่ใช่โลกหามาขนไกวมามันไม่ใหญ่ อันมามีคอมพิวเตอร์อยู่สองตัวเป็นราบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กรุนเก่ารุ่นใหม่ล่าสุดอันามาไว้ใช้แบบชายให้โยมดูเฉยๆเหมือนก็เป็นดีวีดีตัวหนึ่งไม่จับบางทีก็มีสื่อก็มาเปิดดูบ้างสื่ออะไรญาติยโยมอาสื่อมาให้ ก็ดูยุคปัจจุบันก็เป็นสื่ออะไรกันก็ทำอะไรกันไม่งั้นกลายเป็นคนที่ไม่ทันโลกคุยกับเขายากคุยลำบากมีเพืาหลายโลกยานเปิดเฟซบุ๊กเลยเปิดอะไรมากมายไม่ต้องนน้องธรรมดาธรรมดานี่ดีแล้ว นั่นมันเป็นเรื่องที่มันเป็นของเก่าของใหม่ของเก่าก็คือการเคลื่อนไหวรู้สึกตัวเป็นของเก่าเป็นเรื่องที่เป็นทิศทางของการมาของแต่ละบุคคลนะเชื่อว่าที่นี่วัดปา่าสุโกโตนะชี้นำบอกถึงการฝึกหัดสติให้ว่องไว เป็นสติปัฏฐานทำไปทำไปจนกระทั่ ง, งมันเกิดพลังของชีวิตขึ้นมาทั้งๆที่เราก็ไม่รู้ภาษาคืออะไรก็ให้เคลื่อนมือพลิกตั้ ง, ง, ง, ง, ง, ง, งให้ยกขึ้นไปแล้วก็ทำจนเข้าใจแล้วล่ะทำเป็นแรูปแบบคืออะไรทำไมต้องรูปแบบนอกรูปแบบไม่ได้หรือมันก็ได้แต่าทาเป็น แต่ส่วนใหญ่แะนอกรูปแบบทําเป็นนะไปตั้งสํานักกันหมดแล้วอยาให้น้อยก็บอกคนที่เรารักมีลูกต้องบอกลูกมีพ่อมีแม่มันต้องชี้นําแล้วละ่นะไอคนข้างๆเพราะทุกคนก็ทุกอยู่<อ>เราก็นิ่งดูไดไม่ได้นะยังอยู่บ้านทัานนี่อย่านิ่งดูไดปั้นบัวปั้นควายลูกท่านเล่นนะดูไดไม่ได้ก่อนนี้วัดป่าสุตธรีคนเดินเข้ามาน แต่ว่าเดือนนี้มันมีเข้ามาหลายแบบเข้ามาแบบทอทอ ท, อทอชี้นาสร้างกระแสคนก็นขับรถเข้ามาหรือว่ามีสื่อทางอินเทอร์เน็ตมากมายคนก็นมาทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าหลายคนหลายท่านญาติพี่น้องเพื่อนฝูงพ่อแม่ลูกเต้าหล่อหลานมาปฏิบัติก็กลับไปบอกก็สนใจ ก็เข้ามากันบางคนก็เป็นคนเก่าเห็นว่าเคยมาแล้วนะเกดประโยชน์สูงสุดบางคนมาเพราะเป็นวันเกิดไม่รู้จะไปไหนบางคนก็แต่ว่าปีหนึ่งหนึ่งครั้งได้เข้าวัดดนะ้วยเหตุผลต่างๆนานาบางคนก็เห็นว่าที่นี่มีกิจกรรมเยอะ นอกจากปฏิบัติแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างเป็นคอสุขภาพร่างกายบ้างรังสารพิษก็มาจนต้องจํากัดจํานวนกันห้าสิบคนเพื่อที่จะเอาทักแปดสิบคนอะไรเงี้ยการการเป็นการอยูย่ต้องมีความพอดี แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือถ้ามาปฏิบัติทรเนี่รับไม่อันเนื้อที่500กับ62ไล่ เ, เป็นพื้นที่ที่ทุกๆตารางนิ้วถ้าเรามีความรู้สึกตัวแล้วไม่พูดายไม่ยุ่งเหยิงไม่สับสนแต่ละคนก็จะเลือกที่ปฏิบัติของตนของตน เสร็จเก็ตั้งก huh. ายให้ตรงดํารงสติให้มั่นนั่งเคลื่อนนั่งไหว้มือ14บี่ชังหวหรือว่าดูลมหายใจมีฐานเดินจงกรมเดินไปเดินกลับเราก็ลื่นเริงมรรควิชาเกิดขึ้นมาความรู้สึกตัวเกิดขึ้นมาจิตใจเกิดศรัทธาความเชื่อขึ้นมาจิตใจปราโมทย์ลื่นเริงกัการปฏิบัติเกิดปิติเกิดความอิยงโอเอี่มใจเกิดความสงบ เกิดความเบาขึ้นมากายโลตาจิตตาโลตามีความสุขเวลาปฏัธรรมจิตก็เดินทางเกิดพลังขึ้นมาพลังของสติสมาธิปัญญาเป็นผู้ที่มีความปกติในจิตในใจสีลปรากฏนะเพราะนั้นจึงเป็นพลังที่ววันเวลาผ่านไปผ่านไป เรารู้เนื้อรู้ตัวกิจวัตรประจำวันจะเป็นเรื่องที่ช่วยส่งเสริมสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมก็ช่วยประกอบทำให้ชีวิตของเราเติมเต็มทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ใช้ปัจจุบันขณนนะท่องโลกกว้าง ทั้งภายในและภายนอกภายนอกเราก็ทัศนาจรรู้โลกกว้างรู้รอกตัวภายในก็เป็นวิปัสสนารู้รูปธรรมรู้นามธรรมรู้สภาวะธรรมทั้งหมดทั้งสิน้นที่ม่เกิดขึ้นกับกายกับใจของเราเป็นอาการ มันก็จึงเป็นที่สุดของชีวิตเราแล้วล่ะที่ได้นับถือศาสนาเป็นศาสนาที่ร้ห้ความเรื่มใส่ได้ยินได้ฟังแล้วก็เกิดการกระทำลงไปกรรมาฐานคำตอบก็ไม่ใช่ของที่มันไกลตัวแล้ว ทุกครั้งที่รู้สึกมันก็นเป็นคำตอบเอาละเห็นว่าสมนเนกิดอะไรเราก้าวพาพร้อมกัน